โยบเยอะนะหลวงพ่อก็จนปัญญาดูแลได้ไม่ทั่วถึงหรอกแต่มันถือเป็นปรากฏการใหม่ปรากฏการอย่างนี้ไม่เคยมีนะที่คนสนใจใการภาวนามากๆขนาดเนี้แต่ก่อนคนเข้าวัดต้เข้าไปทำบุญหรือไม่ก็เข้าไปนั่งสมาธิส่วนจะมาหัดเจริญสติกันจริงจังขนาดนี้ไม่ไม่ค่อยเจอนะไม่เคยเห็น สมัยกนอยู่กับครูบาอาจารย์วันหนึ่งวันหนึ่งคนไปเรียนกรรมฐานเนี่ยมีไม่กี่คนหรอกอครูบาอาจารย์สมัยน้นมีมากเฉลี่ยกันไปวัดละสองคนสามคนอะไรเงี้ยบางวันไม่มีเลยที่จะไปเรียนกรรมฐานมาสอนกันไหวนะนมายุคนี้ลำบากแล้วคนที่จะเรียนกรรมฐานนยะเยอะแล้วก็ โครงสร้างอะไรเรียกอะไรนะลักษณะลักษณะของคนที่มาเรียนก็เปลี่ยนไปสมัยก่อนสังคมเรานะมันเป็นสังคมกเกษตรสังคมชนบทอะไรเงี้ยภารากิจแต่ละวันแต่ละวันของคนเราไม่ยุ่งเท่าไหรนะ่เรามีเวลาหาดกรรมฐานแบบประดิษฐ์ประดอยไปถึงก็นั่งสมาธิกันนาน มีเวลาทําสังคมวันนี้โครงสร้างของสังคมเปลี่ยนไปแล้วไม่ใช่สังคมเกษตรอีกต่อไปแล้วไม่ใช่สังคมชนบทอีกต่อไปแล้วสังคมของเรากลายเป็นสังคมเมืองกระทั่งคนที่อยู่บ้านนอกนะเอาข้อจริงกลายเป็นคนในสังคมเมืองแต่อยู่ในภาคชนบทอนะ่ะชาวไร่ชาวนาแบบโบราณไม่มีมีแต่ผู้ประกอบการภาคเกษตร เริ่มแต่ไปเช่านาเขาเช่านาเขาไปกู้เงินมาซื้อพันข้าวซื้อปุ๋ยไปจ้างเขาไถไปจ้างเขาเกี่ยวจ้างหมดเลยสิ่งที่ได้มาคือกำไรหรือคัตทุนไม่ใช่ชาวนาแบบโบราณนะที่ทำเอาข้าวไว้กินเหลือแล้วขายเพรนคนทุกวันนี้นะีคิดหนักเครียดคนส่วนใหญ่อยู่ในภาค บริการภาคอุตสาหกรรมไม่ใช่ภาคเกษตรแล้วด้วยคนในภาคเกษตรทก็เป็นเกษตรเชิงธุรกิจไม่ใช่เกษตรแท้แทๆเกษตรธรรมชาติดั้งเดิมสังคมที่เปลี่ยนไปรวดเร็วอย่างเนี้มันทําให้การทํากรรมฐานนี่มันต้องปรับวิธีการใหม่ให้เข้ากับสังคมในเมืองได้อย่างพวกเราถ้าสนใจกรรมฐานนะแล้วเราเรียกร้องว่าเราต้องไปอยู่ในป่าเนี่ยเราไม่มีป่าให้อยู่นึกออกไหม สมัยครูบาอาจารย์นะสนใจภาวนาท่านก็เดินทุดงเข้าป่าไปนานๆเจอคนทีหนึง่งเดี๋ยวนี้เราเดินเดินไปนะไม่ระวังแล้วหัวโขขนน้นคนนี้ทิงคนมันเต็มไปหมดเลยไม่มีที่จะให้ไปภาวนาเงียบๆคนเดียวหรอกไปอยู่ตามวัดก็ไปอยู่กันแน่นคลักเลยบางทีเะงั้นเราต้องปรับรูปแบบของการปฏิบัติให้มันสอดคล้องกับสังคมเมือง หลวงพ่อสอนเรื่องการดูจิตขึ้นมาตอนนี้มันบูมขึ้นมาเพราะมันสอดคล้องกับการปฏิบัติของคนเมืองการดูจิตมันไม่เบียดบังเวลาทํามาหากินนี่พูดมาแต่แรกแล้วพอหลวงพ่อภาวนามาตั้งแต่ยังเป็นคราวาดเลพูดเต็มปากเต็มคําเลยนะว่าคราวาสก็ปฏิบัติได้ไม่ใช่ว่าคราวาสทำไม่ได้ต้องไปอยู่ในป่าหลวงพ่ออยู่ในกรุงเทพเกิดในกรุงเทพนะ โตในกรุงเทพเรียนหนังสือในกรุงเทพทำงานในกรุงเทพทำไมเราภาวนาของเราได้ไปเจอครูบาอาจารย์ที่ชั้นยอดเลยสุดยอดเลยคือหลวงปู่ดุลจะบอกหลวงปู่ดุลสุดยอดนี่ก็เรื่องปกตินะลูกศิษย์ก็ว่าอาจารย์สุดยอดทุกคนเลยนะลูกศิษย์สมีอะไรแกก็ว่าสมีนั่นแหะสุดยอดแล้วนะธรรมดาส่วนหลวงพ่อก็ว่าโอ้หลวงปู่ดุลนี่สุดยอดเลย หลงพ่อเป็นคนที่ไม่เชื่ออะไรง่ายๆคนที่ไม่เชื่อเลยเป็นคนช่างคิดมากเลยช่างสังเกตช่างวิเคราะห์วิจัยวิจารณ์ทำงานก็ทำตำแหน่งเจ้าหน้าที่วิเคราะห์ไม่ใช่เจ้าหน้าที่ฝังนะเจ้าหน้าที่วิเคราะห์นโยบายและแผนฟังแล้วใหญ่โตเรตั้งแต่รับราชการนะสี่าก็วิเคราะห์นี่แหละยันสี่ก็วิเคราะห์นี่แหละทำมาตลอดทางานคิดตลอด ไม่เชื่อง่ายหรอกงั้นไปเรียนจากหลวงปู่ดูล น, นะบางทีท่านลองใจเทสเทให้เราฟังถามว่าเชื่อไหมบอกยังไม่เชื่อครับแต่ผมจะไปลองทํานี่ท่านชอบมากเลยต้องไปลองทํานะถ้าบอกผมไม่เชื่อหรอกครับท่านคงไม่ชมหรอกนะแต่เราไม่อย่างไม่เชื่อเราต้องไปทดลองก่อนถึงจะเชื่องั้นหลวงพ่อภาวนาอยู่ในเพศของคารวาะนั่นเองใช้เวลาไม่นานในการทําความเข้าใจธรรมะไม่กี่เดือนหรอก ครูบาอาจารย์บอกพึ่งตัวเองได้แล้วท่านพูดถึงขนาดว่าไม่ต้องประเด็นกับท่านต่อนะไปได้ด้วยตัวเองแล้วท่านบอกอย่งนี้แต่เราก็ไปนะไปหาครูบาอาจารย์ตะเวนไปเรื่อยๆเละหาครูบาอาจารย์ส่วนใหญ่ก็วัดป่าตามวัดป่าตะเวนไปเรื่อย อ, องโ น, น้นองค์นี้ท่านสอนเหมือนกันหมดเลยไม่มีสอนขัดแย้งกันเลยสำนวนโมหารต่างกันแต่ว่าเนื้อหาสาระอันเดียวกันก็คือให้เรารู้สึกตัวขึ้นมา รู้กายรู้ใจตามความเป็นจริงสอนเหมือนกันหมดนี้หลวงพ่อเป็นคารวะตื่นเช้าขึ้นมานะนึกเลยวันนี้วันจันทร์ใจแห้งแล้งรู้ทันว่าใจแห้งแล้งนึกได้ว่าวันอังคารเนะี่ยขี้เกียจรู้ว่าขี้เกียจนึกได้ว่าวันพุธนะเซ็งสุดๆเลยวันพุธเรียกว่าวันพุธสุดเซ็งพราะวันพฤหัสหนะันเริ่มสดชื่นใช่ไหม นึกได้ว่าวันนี้วันศุกร์นะกระดี่กระดาษแถมศุกร์นี้ลองพิกเอนด้วยโอ้โลกนี่สีชมพูเลยนะสวยงามความรู้สึกมันเปลี่ยนแค่คิดนะความรู้สึกก็เปลี่ยนแล้วก็มีสติรู้ทันจิตใจที่เปลี่ยนแปลงไปนะไปอาบน้ําช่ไหมสมมตหน้าหนาวน้ํามันเย็นยือกเลยตามองเห็นตุ่มน้ําใจก็กลัวแล้วเนี่ยตามองเห็นเลใจก็เปลี่ยนเอาน้ําราดตัวเรานะสยดสยองเลยใจสยดสยองมากเลยรู้ทัน ขันที่สองความสยดสยองเริ่มลดลงรู้ทันนะอาบไปชวนจะเสร็จขันท้ายๆเนี่ยไม่สยดสยองแล้วดีใจละพออาบน้ำเสร็จแม้เช็ดตัวแห้งๆมันจะอุ่นใส่เสื้อผ้าอุ่นๆนะมีความสุขขึ้นมารู้ว่ามีความสุขสรุปง่ายๆของการปฏิบัตินะเมื่อตามมองเห็นเนี่ยความรู้สึกอะไรเกิดที่จิตรู้ทันไปเมื่อหูได้ยินเสียงความรู้สึกเกิดที่จิตเราก็รู้ทันไปหูได้ยินเสียงเช่น ได้ยินว่าหัวหน้าเดินมาแนละ้วอยู่กับหัวหน้ากองหัวหน้ากองเดินทุ๊บๆๆมานะทุกคนในกองเวยหน้ามองกันด้วยความสยดสยองใครว่าจะเป็นผู้ร้ายลายต่อไปนะนได้ยินเสียงนะแปลเสียงนี่หัวหน้าเดินมาแนละ้วใจนะหมายละถ้าไม่มาเสด้จะบุญมากเลยเราจะได้ทํางานนะนี่แกคงได้ยินเสีดีเหมือนกันเลย <laughs> ไม่ไม่ได้ว่าแก่นะถือว่าแกเป็นครูคนหนึ่งของหลวงพ่อเลยละแกเป็นครูกรรมฐ า, านเราเลยละนะช่วงที่หลวงพ่ออยู่กับหัวหน้าคนนี้นะภาวนาดีที่สุดเลยปุ๊บปั๊บปุ๊บปั๊บนั่งนะไปโน่นนี่ละนะที่พูดถึงแลเพราะว่ า, วาโอ้เราภาวนาช่วงนั้นนะกับปรี่กระเป๋าที่สุดเลยหรือเราได้ยินเสียงเขาชมใช่ไหมใจเราพองได้ยินเสียงเขาตําหนิใจเราแฟบอะไรเงี้ย ตาเห็นรูปใจก็เปลี่ยนหูได้ยินเสียงใจก็เปลี่ยนฉมูกได้กลิ่นใจก็เปลี่ยนมาวัดวันนี้ได้กลิ่นอะไรไหมได้กลิ่นขยะ mm hmm. มีโยมใจบุญท่านหนึ่งท่านเอาขยะก่อตะมอก็ไม่ใช่ขยะนะท่านเอาปุ๋ยที่ทำจากขยะเอามาให้นะ mm hmm. พอมาให้นี่ให้มากเลยเป็นรถกรดังเลยเราก็มองหน้ากันนะ mm hmm. ถ้า ไม่สั่งให้ใช้นะผมไม่มีใครยอมออกไปใช้เมื่อวานบอกจิ๊บสั่งเด็กวันนี้หยุดงานทุกเรื่องเลยนะระดมเอาปุ๋ยขยะเนี่ยใส่มันทุกกุดเลยไม่งั้นนะพวกพระมันจะไม่เอาเราจะเหม็นคนเดียวไห <c oughs> นไหนเราก็เหม็นแล้วให้เหม็นทั่วๆกันนะเสร็จแล้วก็ถามรอบๆสาราจะเอาได้ไหมเดี๋ยวโยมเหม็นเอาสิฉเฉลี่ยกันบ้างสิ เข้าใจอย่างว่ามีสุขร่วมเสรนะมีสึกก็ร่วมต้านนะเห็นไหมจมูกได้กลิ่นสดชื่นไหมได้กลิ่นหอมก็สดชื่นสิได้กลิ่นเหม็นไม่สดชื่นแต่บางทีได้กลิ่นนะใจมันคิดต่อก็ไม่สดชื่นได้นะเช่นได้กลิ่นน้ำอบมาอยู่ในบ้านเราแท้ๆนะกลิ่นน้ำอบลอยมาสดชื่นเลยอไม่สดชื่นกลัวใจจะกลัวหน้าตาเห็นรูปใจก็เปลี่ยน จมูกได้กลิน่นะหูได้ยินเสียงใจก็เปลี่ยนมีการสัมผัสทางกายใจก็เปลี่ยนสมัเรานั่งอยู่นะใกล้ๆสาวสักคนหนึ่งนะนั่งอยู่อยู่ๆแมมสาวมารูบขาเรานะรู้สึกอย่างนี้นะมันมีใครมารูบขาเรานะโอ้ยปลื้มสาวมารูบขาเราแล้วหันมาจะยิ้มหวานไอ้หมาขี้เลื้อนกาลังมาสีอยู่หลวงพ่อเนี่ยมีบุญอย่างหนึ่งไปไหนนาะหมาจะชอบมาสีเรา บางวัด น, นะขึ้นชื่อเลยหมาตัวเนี้ยกัดแหลกกัดพระกัดเจ้าแนละ้วกัดหมดเลยไปมีอวันไปวัดหน้าพระเมรุไปนั่งเก้าอี้อยู่นะหมามันมาเอาหัวมาเตยอะไร เ, เงี้ยเราเฮ้แมวเองไม่เคยอาบน้ำเลยหน้าตายพระบอกว่าโอ้โหเอเนี่ยกัดแหลกเลยระวังนะ <c oughs> บอกระวังอะไรอ่ะมันสีมาตั้งหลายรอบแล้ว <c oughs> เนี่ยถ้าสาวมาสีรู้สึกไงถ้าหมาขี้เรื้อนมาสีรู้สึกไงเห็นไหมเนีกก่ยกายกระทบสัมผัสใช่ไหมถ้าสัมผัสนุ่มนวลก็พอใจสัมผัสไม่นุ่มนวลแข็งกระด้างก็ไม่พอใจอากาศหนาวหนาวนะสัมผัสแดดอุ่นๆพอใจใช่ไหมอากาศร้อนๆสัมผัสแดดร้อนๆงี้ไม่พอใจเนี่ยใจมันเปลี่ยนเพราะการสัมผัสทางกายใจเราคิดความรู้สึกทางใจก็เปลี่ยนอีก ในความเป็นจริงแล้วตาหูจมูกลิ้นกายกระทบอารมณ์เนี่ยนะมันมีแต่ความรู้สึกที่กายตาหูจมูกลิ้นกายกระทบอารมณ์แล้วมันจะส่งสัญญาณเข้ามาที่ใจก่อนต้องกระทบทางใจก่อนนะใจถึงจะเปลี่ยนแพ้นบางครั้งเนี่ยตามองเห็นแล้วทํางานเข้ามาถึงใจใจเปลี่ยนหูได้ยินเสียงแล้วส่งสัญญาณเข้ามาใจเปลี่ยนบางทีไม่มีการกระทบทางตาหูจมูกลิ้นกายแต่อยู่ๆกระทบทางใจเลยก็ได้ นะเช่นเรานั่งนั่งของเรานั่งคิดอะไรเพลินๆ อ, อยู่หน้าของคนคนหนึ่งโผล่ขึ้นมาปุ๊บใจมันนึกเลยอ๋ออีนางนี่โกงแชร์เราเมื่อ20ปีก่อนนี่ลืมมันไปแล้วนะพอนึกถึงมันอีกความโกรธเกิดขึ้นอีกเห็นใจคิดขึ้นมาความรู้สึกก็เปลี่ยนพะอใจคิดถึงคนนี้มีความสุขคิดถึงคนนี้อาไรอาวรณนะคิดถึงคนนี้ขับแค้นนะคิดถึงคนนี้สบายใจคิดถึงนี้กรุ่มใจนะ ความคิดเกิดขึ้นใช่ความรู้สึกก็เปลี่ยนสรุปแล้วก็คือถ้ามีการกระทบทางตาหูจมกูกลิ้นกายแล้วส่งสัญญาณเข้ามาที่ใจหรือมีการกระทบโดยตรงทางใจคือ ใ, ใจคิดขึ้นมาความรู้สึกของเราเปลี่ยนเมื่อความรู้สึกเปลี่ยนเนี่ยหน้าที่ของผู้ปฏิบัตินะคือมีสติรู้ทันความเปลี่ยนแปลงของจิตไปไม่นานเราก็จะเห็นนะว่าจิตนี้เดี๋ยวก็สุขจิตนี้เดี๋ยวก็ทุกข์จิตนี้เดียเด๋ยวก็เฉย จิตนี้เดียดเด๋ยวก็ดีเดี๋ยวมีปีติเดียดเด๋ยวจิตมีศรัทธามีความเพียรมีอะไรดีๆขึ้นมาเดี๋ยวมีโลภมีโกรธมีหลงขึ้นมาทุกสิ่งทุกอย่างเนี่ยเกิดขึ้นมาหน้าที่ของผู้ปฏิบัติมีนิดเดียวอะไรกำลังเกิดขึ้นกับจิตสดๆร้อนๆตามรู้ไปใช้คําว่าตามรู้ระวังให้ดีการดูจิตไม่ใช่การไปรอดูไม่ใช่เอาละต่อไปนี้เป็นเวลาดูจิต ไปนั่งรอดูว่าเมื่อไหร่จะมีอะไรให้ดูถ้าไปรอดูจะไม่มีอะไรให้ดูมันจะนิ่งมันกลายเป็นการเพ่งจิตถ้าเพ่งจิตใช้ไม่ได้นะไม่มีอะไรให้ดูหรอกนิ่งๆพวกเราลองดูสิอา้าวต่อไปนี้เริ่มดูจิตแล้วจ้องไว้เงี้ยมันก็นิ่งไปหมดเลยนะการดูจิตนี่ให้ตามดูเพราะนความรู้สึกอะไรเกิดขึ้นในจิตใจสดๆร้อนๆ น, นะตามรู้มันไปเช่นใจลอยไป ใจลอยไปก่อนแล้วก็รู้ว่าใจลอยโลภไปก่อนแล้วรู้ว่าโลภโกรธไปก่อนแล้วรู้ว่าโกรธนะให้ค่อยรู้ทันหลงไปก็รู้โลภไปก็รู้โกรธไปก็รู้เนะนี่ยเราค่อยๆรู้ไปสังเกตไหมไโลภโกรธหลงเนี่ยบางทีเรียงกลับไปกลับมาหลวงพ่อเวลาพูดกับผู้ปฏิบัติเนยชอบพูดหลงก่อนใช่ไหมใจหลงไป แล้วมาโลภแล้วมากโกรธทำไมเป็นงั้นเพราะลำดับขั้นตอนของการเกิดกิเลสเนี่ยต้องหลงจะโกรธจะโลภได้ต้องห ล, ล, ล, ลงก่อนถ้าไม่หลงนะไม่กโกรธไม่โลภหรอกเวลาที่กําลังกโกรธอยู่ก็กําลังหลงอยู่เวลาที่โลภอยู่ก็กําลังหลงอยู่นะเพราะฉนั้นหลงนี่เป็นตัวหลักเลยสําหรับผู้ปฏิบัตนะิหลงพ่อพูดทีไร ม, มันเคยชินนะพูดถึงหลงก่อนทุกทีเลยส่วนใหญ่ ถัดจากหลงนะมันก็จะไปยินดีพอใจนะโลภถ้าไม่มีความพอใจความโกรธก็จะไม่มีถ้าไม่รักจะไม่ชังนะถ้าไม่รักจะไม่ชังถ้ารักได้ก็ชังได้รักไม่สมปรารถนาความโกรธก็เกิดขึ้นนะงั้นมันเรียงลำดับของมันบางทีเวลาพูดบางครั้งบางท่านท่านก็บอกว่าโลภโกรธหลงโลภโกรธหลงทำไมเอาโลภมาก่อนโกรธตามมาหลงมาทีหลัง อันนี้ท่านดูลำดับความร้ายแรงโลภะราคะเนี่ยเป็นกิเลสที่มีโทษน้อยโทษน้อยนะราคะโทสะเป็นกิเลสที่มีโทษมากโมหะเป็นกิเลสที่มีโทษมากที่สุดราคะมีโทษน้อยแต่ละยากโทสะมีโทษมากแต่ละง่ายเห็นไหมจิตใจไม่แช่มชื่นไม่อยากได้หรอกแต่ถ้าเพลินเพลินมีความสุขนะไม่ยอมล โมหะมีโทษมากแล้วละยากที่สุดเพราะมองไม่เห็นนะบางคนก็บอกว่าโกรธโลบหลงอันนี้พูดถึงความรุนแรงโงงฉังในการแสดงออกหลงเนี่ยจะเพลิ่เลินไปฉนั้นสํานวนมีเยอะนะบางทีก็พลิกไปพลิกมาแต่รวมความก็คือไม่ว่าจะเป็นกุศลหรืออกุศลก็เกิดที่จิตนี่แหละหน้าที่เราก็แค่มีสติรู้ทันคนไหนรู้ทันใจที่หลงได้ก็รู้ไป ใจลงไปคิดก็รู้หลงไปคิดก็รู้ความหลงเนี่ยบ่อยที่สุดนะคือหลงไปคิดแล้วหลงไปคิดเรารู้หลงไปคิดเรารู้นะเราจะเจริญสติได้ทั้งวันเราไม่ได้ฝึกไม่ให้หลงแต่หลงแล้วรู้ทาไมไม่ฝึกไม่ให้หลงเพราห้ามไม่ได้จิตเป็นอนัตตาสั่งไม่ให้หลงไม่ได้จิตเคยหลงจิตจะหลงจิตเคยรู้จิตก็จะรู้บ่อยจิตเคยหลงก็จะหลงบ่อ เรามาหัดจเจริญสติหัดรู้ทันสภาวะเรื่อยๆนะเพื่อจะได้หัดฝึกให้จิตเคยชินที่จะรู้รู้สึกตัวขึ้นมาบ่อยๆทีแรกนานๆรู้ทีหนึ่งเห็นไหมพอเราหัดตามรู้ตามดูบ่อยๆฟังธรรมะบ่อยๆสติเริ่มถี่ขึ้นถี่ขึ้นต่อไปใจไหลแวบก็รู้สึกไว้แวบก็รู้สึกนะงั้นคนไหนถ้าใจหลงไปคิดได้รู้ทันได้ก็ดีละ เห็นในจิตตะกี้หลงไปคิดจิตตอนนี้รู้สึกจิตตะกี้หลงไปคิดจิตตรง น, นี้รู้สึกอยารู้สึกอย่างนี้ไปเรื่อยๆไม่ได้ฝึกเพื่อจะไม่ให้หลงไม่ใช่ฝึกเพื่อจะให้ความรู้สึกตัวนั้นเที่ยงแต่ฝึกไปเรื่อยเพื่ออะไรรู้สึกขึ้นมาเพื่อจะได้ตัดตอนชีวิตที่หลงอยู่ให้ขาดเป็นช่วงๆคนในโลกและสัตว์ในโลกนะรวมทั้งเทวโลกฟลอมมันโลกทั้งหลายที่ไม่ใช่ผู้เจริญสติเนี่ยหลงทั้งนั้นนะ่ะ หลงหยาบหลงละเอียดเท่านั้นเองเพราะฉั้นหลงหลงอยู่เรื่อยๆใจเราหลงตลอดตั้งแต่เกิดจนตายก็หลงอยู่อย่างนั้นเองไม่มีคนรู้สึกตัวหรอกเราก็เลยรู้สึกว่าเราเนี่ยถาวรเวลาหลงไปนั้นมันหลงไม่ใช่หลงธรรมดาหรอกมันหลงผิดด้วยมันหลงว่ามีเราอยู่จริงๆพระรหัสมาเจริญสติรู้สึกตัวขึ้นแวบหนึ่งเราจะพบว่าชีวิตช่วงที่ผ่านมานั้นหลงอยู่แต่ชีวิตที่หลงนั้นได้จบไปแล้วเกิดชีวิตที่รู้สึกตัวขึ้นมา ชีวิตที่รู้สึกตัวอยู่ได้แว บ, บเดียวก็ขาดไปเกิดชีวิตที่หลงขึ้นมาเขามีสติขึ้นมาอีกชีวิตที่หลงก็ขาดไปเกิดชีวิตที่รู้สึกตัวขึ้นมาอีกชีวิตของเราขาดเป็นท่อนๆเป็นช่วงนะยิ่งเจริญสติเก่งนะมันจะซอยทียิบเลยยิ่งประสับหมูบะช่ออีกนะชบัชบๆขาดอย่างเงี้ยนะขาดไปเรื่อยๆในสุดปัญญาจะเกิด ปัญญามันจะเห็นความจริงว่าจิตจะหลงก็ห้ามมันไม่ได้จิตจะรู้สึกตัวสั่งให้รู้สึกก็ไม่ได้นะมันเป็นของมันเองบังคับไม่ได้จิตที่หลงเกิดขึ้นชั่วคราวแล้วก็ดับจิตที่รู้สึกตัวเกิดขึ้นชั่วคราวแล้วก็ดับนี่มันไม่เที่ยงนะจิตที่หลงอยู่ได้ไม่นานหรอกเดี๋ยวก็ต้องดับจิตที่รู้สึกตัวอยู่ได้ไม่นานเดี๋ยวก็ต้องดับนี่แหละมันเป็นทุกข์จิตมันจะหลงหรือจิตมันจะรู้สั่งมันไม่ได้นี่เป็นอนัตตา เพราะฉะนั้นเราหัดภาวนาเนี่ยไม่ใช่เพื่อฝึกจิตให้ดีให้สุขให้สงบเพราะความดีความสุขความสงบยังเป็นของไม่เที่ยงถ้าไปเอาของไม่เที่ยงนะชีวิตหาความสุขไม่ได้จริงหรอกอย่างเราฝึกจนจิตเรามีความสุขนะมีความสงบอยู่ไม่นานมันก็เสื่อมฟุ้งซ่านขึ้นมาอีกแล้วเพราะฉะนั้นถ้าไปเอาความสุขความสงบความดีกระทั่งดีก็เสื่อมได้ดีได้ก็ยังชั่วได้อีกสิ่งเหล่านี้เป็นของปรุงแต่งเป็นสังขาร เราไม่ได้เอาของแปรปรวนอย่างนี้มาเป็นที่พึ่งที่อาศัยหรอกแต่เราอาศัยรู้ความแปรปรวนไปเรื่อยนะในที่สุดก็เห็นเลยว่าทุกอย่างเนี่ยเกิดแล้วก็ดับจิตที่รู้สึกตัวเกิดแล้วก็ดับจิตที่หลงเกิดแล้วก็ดับคนไหนถ้าขี้โลภนะโลภมากก็ดูจิตโลภจิตโลภเกิดแล้วก็ดับไปเกิดจิตที่รู้จิตรู้ดับไปเกิดจิตที่โลภนี่คนไหนขี้โมโหก็ดูจิตขี้โมโห เดี๋ยวจิตก็โมโหเดี๋ยวจิตก็รู้เดี๋ยวจิตก็โมโหเดี๋ยวจิตก็รู้นะสลับกันไปในชีวิตขาดเป็นช่วงๆเหมือนกันหมดเลยทำกรรมฐานกระทั่งคนที่หายใจออกหายใจเข้านะมีสติรู้สึกอยู่เนี่ยจะเห็นเลยชีวิตที่หายใจออกก็อันหนึ่งชีวิตที่หายใจเข้าก็เป็นอีกอันหนึ่งโคแลนกันชีวิตที่ยืนที่เดินที่นั่งที่นอนนี้นเป็นโคแลนกันหมดเลยนะการที่ฝึกรู้ฝึกดูนะเท่ากับซอยชีวิตของตัวเองให้เป็นช่วงเล็กๆ สายชีวิตของเราออกมาเป็นช่วงเล็กๆเพื่อเราจะได้เห็นว่าทุกช่วงนั้นเกิดแล้วดับทั้งสิน้นทุกช่วงนั้นทนอยู่ไม่ได้จริงหรอกทุกช่วงนั้นบังคับไม่ได้นี่คือการเห็นไตรลักษณ์ถ้าเราเห็นไตรลักษณ์ของกายของใจได้เรียกว่าทำวิปัสสนานะถ้ารู้กายรู้ใจเฉยๆไม่เห็นความเป็นไตรลักษณ์ไม่เห็นว่ามันขาดเป็นช่วงช่วงช่วงนั้นไม่เรียกว่าวิปัสสนา ตรงที่ขาดเป็นช่วงๆนั้นเขาเรียกว่ามีภาษานะเรียกว่าสันตติขาดสันตติคือความสืบเนื่องขาดวิปัสสนาแท้ๆเนี่ยสันตติขาดถ้าสันตติไม่ขาดยังไม่ถึงขั้นอุทยพ ย, ายาัญาณอุทยพยัญาณเนี่ยเป็นวิปัสสนาญาณหมายเลขหนึ่งนะหมายเลขหนึ่งเท่านั้นนะมีทั้ง9อันถึง9ถึงอุเบกขา เพราน้นเราต้องฝึกไปนะเพื่อจะซอยชีวิตเราให้เป็นช่วงเล็กๆชีวิตที่หายใจออกอันหนึ่งชีวิตที่หายใจเข้าอันหนึ่งนะคนละขณะกันละนะมันเหมือนคนละชีวิตกันชีวิตที่ยืนเดินนั่งนอนก็เป็นคนละขณะคนละขณะกันคนละช่วงกันจิตที่โลบก็ช่วงหนึ่งนะจิตที่รู้ว่ารอก็ช่วงหนึ่งจิตที่โกรธก็ช่วงหนึ่งจิตที่รู้ว่าโกรธก็ช่วงหนึ่งจิตที่หลงก็ช่วงหนึ่งจิตที่รู้ว่าหลงก็ช่วงหนึ่งนะ ค่อ ห, หัดดูไปเรื่อยๆในสุดมันจะเห็นเลยว่าไม่มีสิ่งที่เรียกว่าตัวตนถาวรนะไม่มีตัวตนถาวรนะคนที่ภาวนาไม่เป็นสันส ต, ติไม่ขาดเนะี่ยไม่ใช่เห็นว่าจิตเกิดขึ้นตั้งอยู่แล้วก็ดับเกิดแล้วก็ดับร่างกายเกิดขึ้นแล้วก็ดับไปเห็นอร่างกายหายใจออกเกิดแล้วก็หายไปเกิดร่างกายหายใจเข้าแทนอย่างเงี้ยนะถ้าไม่ขาดนะมันยังจะสําคัญมั่นหมายว่าในนี้มีเราอยู่คนหนึ่ง พวกเราผู้เป็นปุถุชนที่ไม่ได้สดับนะที่ได้สดับคือหัดดูแล้วเริ่มรู้แล้วว่ามันขาดนะคนที่มาใหม่ๆนะมาฟังหลวงพ่อใหม่ๆหรือว่าพวกเก่าคล่ำคล่าล้าสมัยนะเรารู้สึกไหมในนี้มีเราอยู่คนหนึ่งเราคนนี้กับเราตอนเด็กๆคนเดิมรู้สึกไหมนะนี่แหละคืออัตตาละคําว่าอัตตานะไม่ใช่เซลจัดหรอกเซนะลจัดนั้นเรียกว่ามานะ อัตตาแท้ๆนะัมันคือความสําคัญมั่นหมายว่ามีสิ่งหนึ่งที่เป็นอมตะเป็นตัวเราด้วยนะแล้วเป็นอมตะด้วยนี่แหละคือคําว่าอัตตาตัวจริงนะส่วนที่บอกว่ามูนี่เห็นอัตตาไอ้นั่นใช้สับเพียจริงๆเห็นมานะว่ากูเก่งเว้ยมีกูขึ้นมานะความไม่รู้นี่แหละทําให้เราคิดว่าเรามีอัตตาเรามีตัวตนถาวร อ, อยู่ถ้าร่างกายนี้ตายนะอัตตาเนี้ย คือจิตวิญญาณนี่แหละเป็นอัตตาเที่ยงอยู่อย่างนี้แหละจะไปเกิดใหม่เปลี่ยนเฉพาะร่างกายนะจิตใจเป็นอันเดิมนี่คือมิจฉาทิฏฐินะเรียกว่าสัตสตทิฏฐิเป็นมิจฉาทิฏฐิกลับข้างกันพวกนักฟิสิก์ทั้งหลายเห็นว่าถ้าร่างกายตายเมื่อไหร่นะทุกอย่างก็หายไปหมดเลยนี่เรียกว่าอุเฉททิฏฐิเราอย่าระวังอย่าให้สุดตรงไปสองฝั่งนะข้างหลงว่ามีอัตตาถาวรกับข้างที่ว่าขาดศูนยะ์ เรามาดูมันเกิดดับเป็นขณะขณะขณะไปซอยชีวิตของตัวเองเป็นช่วงเล็กๆออกมาเราจะเห็นว่าชีวิตของเราขาดเป็นท่อนๆชีวิตที่ขาดเป็นท่อนๆเนี่ยมันจะแสดงให้เห็นว่าไม่มีหลอกอัตตาถาวร น, นะไม่มีอัตตาตัว ต, วตนถาวรหรอกเพราะฉั้นเราฝึกไปเรื่อยนะใจโลภขึ้นมาก็รู้ใจไม่โลภแล้วก็รู้ใจโกรธแล้วก็รู้ใจไม่โกรธก็ร <ๆ S 2> <clears S 1> ู้ใจหลงไปก็รู้ใจรู้สึกตัวขึ้นมาก็รู้ซอยชีวิตให้ขาดเป็นช่วงช่วงช่วงไป ถึงจุดหนึ่งปัญญามันเกิดมันจะเห็นเลยว่าทุกสิ่งเกิดแล้วดับไม่มีเลยสิ่งใดสิ่งหนึ่งที่เป็นอมตะถาวร น, นะอมตะมีแต่นิคมอมตะนะนิคมอมตะจะอยู่ได้สักกี่ปีก็ไม่แน่หรอกมันอมตะแต่ชื่อนะถาวรก็ไม่มีจริงหรอกมีแต่ล้านบุญถาวร น, นะถาวรไม่มีในโลกนะมีแต่หลอกๆคนชื่อถาวรมันก็ตายไปเยอะแล้วนะคนชื่ออมตะมันก็ตายไปเยอะแล้วนะไม่มี เราหัดภาวนานะเพื่อจะได้เห็นเลยว่าทุกอย่างเกิดแล้วก็ดับไปไม่มีสิ่งที่เรียกว่าตัวตนถาวรหรอกจิตใจนั่นก็เกิดแล้วก็ดับเป็นขณะขณะนะร่างกายก็เกิดดับสืบเนื่องไปเรื่อยๆนะเริ่มต้นดูจากพวกเราเป็นคนเมืองนะดูจิตไปเลยคนเมืองคิดมากจะไปดูกายลำบากอันนี้ไม่ใช่หลวงพ่อพูดเองหรอกนะสมัยเมื่อปี2526นะันี่สหลวงปู ด, ดูนเคยบอกหลวงพ่อบอกว่าต่อไปเนี่ย การดูจิตเนี่ยจะรุ่งเรืองในเมืองท่านบอกอย่างนี้นะแล้วมาถึงวันนี้นะทุกหนทุกแห่งคือเมืองนึกออกไหมการดูจิตเลยรุ่งเรืองไปหมดเลยทั้งในเมืองไทยและเมืองนอกหนะลวงพ่อชาก็สอนอย่างนั้นนะเมื่อวันจันทร์ที่ผ่านมาเนี่ยหลวงพ่อไปกลับเยี่ยมครูบาอาจารย์องค์นึ่งนะลูกศิษย์หลวงพ่อชาก็ออาจารย์อ น, นันต์อาจารย์อนันต์อยู่วัดมัฟจันทร์ไปคุยกับท่านนะ ท่านบอกเลยว่าหลวงพ่อชาเคยสอนไว้ว่าถ้าจะสอนคนในเมืองสอนพวกปัญญาชนนะให้สอนดูจิตนะท่านสั่งวาอย่างนี้เลยให้สอนดูจิตเพราะการดูจิตเนี่ยเป็นกรรมฐานที่คนในเมืองทำได้ถ้าจะดูกายต้องทำสมาธิก่อนนะถึงจะดีกว่าจิตจะสงบเนี่ยคนเมืองไม่มีวันสงบง่ายหรอกมันคิดมากเพราะั้นจิตไม่เคยสงบแนละมาคิดพิจารณากายนะแป๊บเดียวก็หมดแรงแล้วเดี๋ยวก็สลบแล้วนะนะมันทาไม่ได้จริงหรอก เพราะฉั้นเราต้องฝึกเจริญสติในชีวิตประจำวันซึ่งก็ดูจิตดูใจของเรานี่เองใจของเรากระทบอารมณ์ทั้งวันเลยเห็นไหแค่นั่งรถมาวัดหลวงพ่อถามหน่อยเจอคัดเอาเกียนเต็มไปหมดเลยใช่ไหมขยะทางสายตาตั้งแต่กรุงเทพมานี่จากนี่ไปกรุงเทพเนี่ยขยะทางสายตาเรานี่เต็มไปหมดเลยนี่มันละเมิดสิทธิมนุษยชนมากไปแล้วนะมีแต่ป้ายมาโฆษณาเต็มเต็มเลยนยะ โฆษณามีมว่ามีสติรู้สึกตัวมีสักคัดเอาหนึ่งหอ๋อไม่มีเลยนะอย่างดีที่สุดก็สามมัคคีมีแต่ป้ายยั่วกิเลสเห็นไหมใจเราเนี่ยนะกับเพิ่มขึ้นกับเพิ่มลงกับเพิ่มขึ้นกับเพิ่มลงทุกวันเลยตลอดวันเปิดหนังสือพิมพ์มาอ่านสิก็กับเพิ่มขึ้นกับเพิ่มลงเห็นไหมดูโทรทัศน์สิใจก็กับเพิ่มขึ้นกับ เ, เพิ่มลง ม, มีแต่เรื่องกับเพิ่มขึ้นกับเพิ่มลงท่านไม่เห็นมีคําว่าสงบมีอยู่ตรงไหนเลย เมื่อทำความสงบไม่ได้นะดูทันใจที่กับเพื่อ ม, มันไปเลยนะแล้วจะเห็นเลยเดี๋ยวก็สุขเดี๋ยวก็ทุกข์เดี๋ยวก็ดีเดี๋ยวก็ร้ายดูใจที่กับเพิ่มขึ้นกับเพิ่มลงนั่นแหละตามผัดศักดูไปเรื่อยๆนะในสุดเราจะเห็นว่าทุกสิ่งเนี่ยเกิดแล้วดับทั้งสิน้นเนี่หลวงพ่อชาท่านย้ำไ ว, ว้ว่าให้สอนคนเมืองนะพวกปัญญาชนพวกอะไรนี่ให้สอนดูจิตแต่ให้ดูจิตเนี่ยด้วยความไม่ยินดีไม่ยินร้ายท่านใช้คํานี้หลวงพ่อชาพูดคำ ว, ว่าเป็นกลางใช่ไหม หลวงพระชาติาจาใช้ให้ดูจิตด้วยความไม่ยินดีด้วยความไม่ยินร้ายนะเวลามันยินดียินไล่ห้ามไม่ได้นะ <laughs> ให้รู้ทันว่ายินดียินไายครับอีกทีแล้วมันจะเป็นกลางเพระฉั้นหะลักของการดูจิตไม่มีอะไรหรอกสภาวะอะไรเกิดขึ้นในจิตใ จ, ใจเราให้รู้ไปรวนะมทั้งดูกายด้วยนะอะไรเกิดขึ้นในร่างกายให้รู้ไปพอรู้ไปแล้วเกิดความยินดีให้รู้ทันเกิดความยินร้ายให้รู้ทันนะเช่นเห็นหน้าคนนี้แล้วมันพอใจยินดีรู้ว่ายินดี เห็นหน้าคนนี้เกลียดรู้ว่ายินร้ายเกลียดรู้ว่าไม่พอใจขับรถอยู่โดนเขาปาดหน้าเห็นโทสะพุ่งขึ้นมาในโทสะเป็นความไม่ยินดีหรอกเสร็จแล้วพอเราไปเห็นว่าจิตมีโทสะนะเราก็ไม่ยินดีกับโทสะอีกว่าฉันเป็นนักปฏิบัตินั้นทำไมฉันชี้โกรธต้องทําให้หายโกรธนี่จิตยินร้ายซ้อนขึ้นมาอีกละยินร้ายต่อโทสะตัวแรกนะงั้นเราคอยรู้ทันจิตที่มันยินดีจิตที่มันยินร้าย ต่อสภาวะธรรมทั้งหลายที่จิตไปรู้เข้าฝึกอย่างนี้เรื่อยๆนะต่อไปจิตจะค่อยๆเป็นกลางขึ้นมาจิตค่อยฉลาดขึ้นเห็นว่าทุกอย่างผ่านมาผ่านไปแต่ถ้าเราไปยินดียินร้ายเข้าเมื่อไห่เราจะเข้าไปแทรกแซงจะเข้าไปวุ่นวายไม่ได้สักว่ารู้สักว่าเห็นแต่ถ้าไม่ได้เข้าไปยินดียินร้ายนั้นมันก็ไม่เข้าไปแทรกแซงมันจะสักว่ารู้ว่าเห็นอยู่ถ้าสักว่ารู้ว่าเห็นไม่เข้าไปแทรกแซงสภาวะทั้งหลายนั้นจะแสดงตัวจริงให้ดูโดยที่เราไม่ต้องไปยุ่งกับมัน อย่างบางคนโกรธขึ้นมาก็พุดโธพุดโธให้หายโกรธเนี่ยนะมันรู้สึกว่าเราสั่งให้หายโกรธได้นี่เราไปแทรกแซงไม่เห็นความจริงหรอกว่าความโกรธเขาเป็นอนัตตาห้ามไม่ได้แต่ถ้าเราไม่แทรกแซงเราเห็นความโกรธผุดขึ้นมาใจไม่ชอบรู้ว่าไม่ชอบปุ๊บใจเป็นกลางทั้งๆที่ใจเป็นกลางเราไม่ได้ทําอะไรกับความโกรธเลยความโกรธก็เกิดแล้วก็ดับได้เนี่เห็นไหมใจเราเป็นกลางเราไม่เข้าไปทําอะไรมันนะมันเกิดแล้วก็มันก็ดับให้ดู แต่ถ้าเราหลงเข้าไปแทรกแซงเราจะรู้สึกว่ากูทําได้ดังนั้นจริงๆเราอยากเข้าไปแทรกแซงดูทุกอย่าง ไ, ไหลไปเห็นมันเกิดแล้วดับเกิดแล้วดับเกิดแล้วดับนะรู้อย่างนั้นถึงวันหนึ่งก็ปัญญามันแจ้งเลยตัวตนถาวรไม่มีหรอกสิ่งใดเกิดสิ่งนั้นดับการที่เห็นว่าตัวตนถาวรไม่มีนั่นก็คือละสักยัตทิฏฐิได้ล่ความเห็นผิดว่ามีตัวตนถาวรได้ท่านผู้เห็นเกิดแล้วก็ดับก็คือพระโสดาบันนะ ถัดจากนั้นก็มารู้กายรู้ใจต่อไปอีกนะจนปัญญามันแจ้งเห็นจะมีแต่ทุกข์ล้นลนเลยถ้ารู้ทุกข์แกมแจ้งก็วางเองนะวางกายวางใจทุกวันนี้เราเห็นกายเห็นใจนะเป็นทุกข์บ้างเป็นสุขบ้างยังเห็นอย่างนี้อยู่ยังวางไม่ได้จริงหรอกยังเบื่อเบื่ออยากๆ ก, กอยู่นะเงี้ยแต่เบื้องต้นยังไม่ต้องไปเบื่อมันหรอกไม่ต้องไปวางมันหรอกเอาแค่ให้เห็นความจริงของมันก่อนว่ามันเกิดแล้วพอมันในก็ดับนะตัวเราถาวรไม่มีอัตตาไม่มีตัวอย่างเนี้อะเชิญไปทานข้าวนะ